อีกคราวหนึ่งเมื่อพระมหาโมคลานะและพระรัคนะลงจากภูเขาคิชกูรพระมหาโมคลานะได้เห็นเปรตซึ่งมีค้อนเหล็กจำนวนมากกระนาลงบนศรีรษะค้อนนั้นมีเปลวเพลิงโชดช่วงศรีรษะของเปรตนั้นเมื่อถูกค้อนเหล็กทำลายแล้วกระปรากฏดขึ้นใหม่เพราะแรงแห่งกรรมอันตนเคยทำไว้พระมหาโมคลานะเล่าเรื่องนี้เฉพาะพระพักพระศาสดา พระบรมครูทรงรับรอง่าำกลางภิสุสองว่าเปรตนั้นมีจริงเพราะองค์เคยทรงเห็นแล้วเหมือนกันที่โพธิมณฑลเมื่อพิสุทั้งหลายทูลถามเรื่องบุพกรรมของเปรตนั้นทรงเล่า ว, ว่าในอดีตการในกรุงธาราณสีมีชายเปรี้ยคนหนึ่งมีความรู้ชำนาญมากในการดีดกรวดให้ปรากฏเป็นรูปต่างๆบนใบไม้หรือดีดกรวดให้เข้าเป้าได้ยางแม่นยำ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 สเสด็จผ่านมาทางนั้นพวกเด็กๆครูเข้าพาบรุษเปลี่ยวซ่อนไว้ระหว่างย่านใสแล้วพวกเขารีบดหนีไปพระราชาสเสด็จถึงตรงนั้นเวลาทิ้งพอดีทรงพักผ่อนใต้ต้นใส่ย้อยขณะนั้นแสงแดดซึ่งส่องผ่านรูปโปรงของใบใสลงมาเป็นรูปช้างบ้างม้าบ้างทรงโงนว่านี่อะไรกันเงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรใบใส่ทรงเห็นรูปต่างๆมีรูปช้างเป็นต้น สงศ์พระไทยตรัสถามว่านี่เป็นฝีมือของใครเพื่อทรงทราบว่าเป็นฝีมือของโบรุษเปลี้ยนชายพิการจึงให้หาชายพิการนั้นมาเฝ้าทรงชมเชยฝีมือดีดโกรธของเขาและตรัสว่าเรามีปุโรหิตคนหนึ่งพูดมากปากกล้าเราพูดคํำหนึ่งเขาพูดเสียยืดยาวเราไม่อาจให้เขาหยุดพูดได้เอ็งสามารถหรือไม่ที่จะดีดมูลแพะเข้าปากปุโรหิตคนนั้น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 เพราะอาศัยศิลปะนั่นเองดูก่พิสุทธุทั้งหลายพระศาสดาตรัสท่านทั้งหลายอาจสงสัยว่าธรรมะมหาอมาตถผู้นั้นคือใครกันอย่าสงสัยเลยพิสุททั้งหลายเขาผู้นั้นในบัรนี้คือเราตถาคตนี่เอง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 ฝ่ายบรุษใจชั่วผู้นั้นเห็นมหาชนไปยังบรรณาศาลาไม่ขาสายจึงติดตามไปเห็นพระประเจพุธเจ้าแล้วจำได้เล่าให้มหาชนฟังว่าเขาเป็นผู้ดิดกรวดเข้าช่องหูของท่านผู้นี้เพื่อทดลองวิชาของตนมหาชนได้ทราบ ด, ดังนั้นจึงลงประชาทันจนบรุษนั้นสิ้นชีวิตไปบังเกิดในอเวจีมหารกมกไม่อยู่ในอเวจีนั้น เป็นเวลานา น, านสมแก่กรรมของตนด้วยผลแห่งกรรมที่ยังเหลือทำให้เขาเบังเกิดเป็นสัติกูตะเพรถูกค้อนเหล็กมีเพลิงติดทั่วแล้วกระนำลงบนศรีรษะอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันพระสกคยมุนีทรงเล่าเรื่องบุพกรรมของสติกุตะเพรศจบแล้วตรัสสรุปพระธรรมเทศนาว่าพิสุทธ์ทั้งหลายความรู้เกิดขึ้นแก่คนผ่าน